أ า وإذاقيل لهم متقوم ما بين أيديكم وإذاقيل لهم ت ق و م ما بين أيديكم و م ا خ ل ف ك م ل ج ل ك م رحمون وما فَكُمْ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا ت َ أ ت ِ ي ه ِ م م ِ ن آ ي َ ا ت ِ ه ِ م ِ ن َ ا ُ ر ْ ب إ ل َ ا كَانُوا أ َ ن ْ ه َ ا ا م ُ ي ن وَمَا ت َ أ ت ي ه م ْ مِنْ آ ي َ ا ت แล้วกَ่าวกัَพวกเขُว ا าแสَงหาสิ่งَี่พระَจَาทรงให้แَِ่วَ ا ل َนท่านทั้งหลายที่ละทิ้งศรัทَาของพระองค์ท่านทั้งหลาَทَ่ละทิ้ ل ศรัทธาของพระอง อินั่นตุมิละّี่โกลาลิมมุ مُب ิ ي ั่นตุมิลَทَ่โกลาลิมมุบีว่ากันว่าเมื่อถึงวันนั้นทุกคนจะต้องตาย إ ูอิงตุนตุนโซเดตรินไม่ยั ي งยืนนั่นอื่นแต่ขวามยันอตวาุมุมว لا يستطيعون توصيته ولا إلى أهل يرجعون. ัสมัลลอ الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضلله وَمَن يُضلِل فَلَهَاذِيَ لَهُ و َ أ َ ش َ د ُ وَلَهُ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَشَدُّ َ ن َّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ا ل ل ه ص ن ا, إ و, ك و ب ك أ ن ا و ب ك ن ح ك ن و ب ن و ت و َ ش و ر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 ر ับบ่เอานุ ذ ค่ะ ا ันอ ا, آ د د ل ับในนาร์แ ي ا ل าบั ا ในลั ع รีอัลลัฮุหม่าอภินิฟีบดเนีอ ن ลลัฮุหม่าอภินิฟีสเมาอัลลัฮุหม่าอภินิฟีบาสุลีสุบฮานัลลอฮ์และ ل ระมดีฮ์อัล م าดัคัลตีฮ์วริ ل าเนฟซีฮ์วนัอารซีฮ์วมละหมาด สุบฮ์หรือนมาต์ฟาจรที่บ้านของอัลลอฮ์หรือที่มัสยิดของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับแต่พี่น้องที่ติดตาม <c oughs> รายการตับเซรุลกุรอานอัฐาทิบายอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์สุภาห์นหูอตาลาพี่น้องที่เราหลับไปเมื่อคืนนี้นี่อัลลอฮ์ให้นะอย่านึกว่าเราเองอัลลอฮ์ Allah ให้ครับ พอเราเด้หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาอย่าลืมขอบคุณ Allah ให้กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัลฮิยานะบาดามะอามัตานะวาอิลาฮินูชุดนะต้องขอบคุณ Allah เยอะเดินออกจากบ้านก็ต้องขอบคุณ Allah นะครับออกจากบ้านนะมาขึ้นรถก็ต้องขอบคุณ Allah อีกนึกถึง Allah อีกพอเอารถจอดที่หน้ามัสยิด ก็เดินเข้ามาสัสยิดต้องนึกเอท้าวซ้ายรือเท้าวขวาเพราะอิสลามสอนหมดเลยก็เท้าดยเข้าด้วยเท้าวขวาอ่านว่าไง um ah li, ah าอัลลอฮุมะฟตัฮลีอบบาบาระห์มาติกะพอมาถึงบ้านของอัลลอ์เสร็จแล้วก็ถ้ายังไม่ได้นมาสุนัดกอบลิยะหรือยังมีเวลาอีกเยอะก็นามานให้เกียมัสยิดนมา เขาว่าะให้ยืนบมัสยิดมองเวลาโอ้ยม่อีกสิบนาทีเอานมาตกอบเลียถ้านมัดจากจากที่บ้านมาแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตเรามันต้องโยงกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาทําไมต้องโยงกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สั่งนะกะฟีกุรอานแล้วก็ส่งตัวแทนมาคือท่านนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยมาทําเรื่องอย่างนี้แล้พี่น้องเราก็ต้องนึกถึงท่านนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์แล้วก็บรรดาสวะบาของท่านนบีนี่ แต่ละคนแต่ละคนที่มารับอิสลามเนี่ยไม่ใช่คนคนแต่ละคนเนี่ยอร่อยหมดเลยนะพอเปลี่ยนแปลงพอรับอิสลามเปลี่ยนนิสัยเลยอัลลอฮฺน ล, ะละิเล่เช่นไซนาอุมัรรดอัลลอฮ์อัลลอฮ์สารพัดชีวิตของท่านเนี่ยพอรับอิสลามแล้วพี่น้องร้องไห้เขาเก่งอ่ะร้องไห้เก่งนมาเก่งอ่านกุ้อ่านเก่งซึ่รุน ล, ละเกเก่งหมดเลยพี่น้องทิ้งชีวิต ที่เล่เทกอที่อิสลามจะมาเนี่ยนนะ้องกังกั บ, ก บ, ก บ, กบตัวกันนะขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เรามีคุรานเป็นทางนำสำหรับชีวิตแล้วก็มีบุคคลตัวอย่างคือนบีมุฮัมมัดนั่นเป็นบุคคลตัวอย่างที่ทำแบบให้เราเห็นซึ่งอัลลอฮ์ก็พอใจนะครับแล้วมีบุคคลอีกสราบานนบีอีกไปน้องที่ท่านนาบีรับรองไว้ที่เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบนะไมู่สบคนน่ยนะ หนึ่งในนั้นก็คืออัลดูรมุมานบินเอา้าผมชอบชีวิตของอัลดูรมุมานบินเอา้าและซาบะอีก9คนอีก ล, ละรอพี่น้องชีวิตพวกเข้าลลอร์พอใจมากๆเลยพี่น้องครับขอบคุณลลอร์นะเราได้มีโอกาสอลรอพี่น้องได้มาเนี่ยอ่านกุรานมาอธิบายกุรานวันนี้กี่อายะหกอายะไม่เยอะนะ เราบางคนอธิบายกระนานวันนึงี้ชุมวงหนึง 30, ่งสามสิบสี่สิบอายะก็ก็ไม่มีปัญหาก็ต่างกนต่างอธิบายไปก่อนแล้วกันมาถึงอายะที่สี่สิบห้ามาดูอายะที่สี่สิบสี่สิบสี่ก่อนนะก่อนหน้าที่เจ้าเนี่นะอายะที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนี่นะอินราะห์มะจัมินะ ว่ามาตาอันอิลัฮินอัลลอะลัอัยมาตาอันแปลว่าอะไรนะเพลิดเพลินความเพลิดเพลินที่เราได้รับบนดุนยาเนี่ยให้เพลิดเพลินกี่วันอิลาฮินชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นนี่โลกดุนยาคับ สอนเราสุร่ายาซีเนี่ยที่อ่านคุรอานสุร่ายาซีนที่ทองกันจำนี่นะถ้ารู้ความหมายเนี่ยอัลลอฮฺว่าบัดฉะนั้นน่ะความสุขชั่วคราวที่เราได้รับอยู่บนดุนยาเนี่ยชั่วคราวเลยนะอาทิอายะไหนก่ะ น, นี่ไงอิลลั์รอห์มะตัมมินน์วะมะตัมอันอิลลาหีนมะตัมแปลว่าปัจจัย Allah อัลลอฮฺวัา หรือเพลิดเพลินชั่วคราวยังจะอย่าไปหลงอย่าไปหลงให้หลงปัจจัยที่ไม่หมดอายุดีกว่าปัจจัยที่ไม่หมดอายุมีอะไรบ้างอีมานไม่หมดอายุมันจะชั่วคราวด้วยแล้วก็อ่านกุรานไม่หมดอายุอ่านอ่านกุรานเรื่มเนี้ยไม่หมดอายุนมาดไม่หมดอายุบริจาคไม่หมดอายุทำดีกับพ่อแม่ไม่หมดอายุดูอาไม่หมดอายุซิกรุลล์ไม่หมดอายุ ให้อภัยคนไม่หมดอายุฉะนั้นคนฉลาดเนี่ยพออ่านกุรุอ่านต้องได้ข้อคิดอลัลลอฮฺไปแ ส, สวงหาของที่หมดอายุทำไมไปแสวงหาของที่ไม่หมดอายุเสียแลว้วลเหลือติดเนือ้อติดตัวเรไปในะกูโบก็ไปพาไปด้วยเขาเรียกว่าอามันเนี่ยอัลลอฮละทำนั่นี่ละพอฟื้นขึ้นมาในโลกอาคีรอก็เป็นอะไรนะ เป็นสัม <society> ีคุ้มการเราไปไหนมาไหนเดินนาหน้าเราตลอดเวลาเลยเราทำเดลิลาวันนี้มาอายทีศีสิหะว่าอิรตีลลฮมุตตะมาเบยนะอิดีคุมว่ามาคลฟกุมละอัลลคุมตุรฮมนอัลลอฮอั وإذا قيل له متقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون الله أكبر ยิ่งใหญ่มากอายานี้ครับคุณหมอก่อนจะอธิบายนะครับก่อนจะแปลมันดูสั์ก่อนนะอิตาูอิตาูนี่ใช่ไ wa ้จะคีลาลาหุม ต, ตักกูอิ ต, ตักกูมาถึงตักวานั่นแหละอ่าตักวานตักวานี่แปลว่าใดสำรวมตนระวังตนระวังตัวเองอย่าทำชั่วอย่าทำบาปไว้จะคีลาลาหุมและเมื่อไดม้มีมีเสียงกล่าวว่าหรือมีคนมาสอนว่า นะครับวิาลากีลลาฮุมแก่พวกเขาเหล่านั้นว่าไงนะอิตตะกูจงปกป้องตัวเองต่อการลงโทษคาว่าอิตตะกูเนี่ยใช่ไหมนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์นะสอนน้าฟิร์กานอันเจออายานี้ต้องนึกโอ้วะอิวากีลละวุมุตตะกู และเมื่อได้มีการกล่าวแก่พวกเขาว่าจงปกป้องจงระวังนะครับต่อการลงโทษลงโทษเนี่ยมีได้ทั้งสองโลกเลยเต่อไปม า, บาใบนาใบดีกุมที่อยู่ข้างหน้าของสูเจ้าที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอุลมะก็อธิบายว่าโลกดุนยา เห็น ไ, ไหมนี่ต้องอาศัยหุลนละมัทพสิร์มุลยอาศัยสอบาลนะพี่ น, นีนะอาทิตย์ไปมาไปนะไอดีกุมที่อยู่ข้างหน้าสู่เจ้าคือในปัจจุบันนี้แหละเรียกว่าโลกดุนยาต้องระวังตัวนะเพราะการลงโทษบนโลกดุนยามีไหมมีโรคโควิดนี่ใช่ไหมใช่เลย ปฏิเสธไม่ได้เลยโรคโควิดนี่ใช่ครับตอนนี้ข่าวมันก็ออกมาว่าดี่จะมาครั้งที่สองอีกใช่ไหมหนักกว่าครั้งแรกอีกเห็นไห ม, ไมต้องระวังตัวหมดเลยไนงะแต่ในการระวังตัวในอิสลามเนี่ยมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ใช่แค่ใส่ใส่อะไรนะใส่ผ้าแมสผ้าปิดจมูกระกัดตัวอยู่ที่บ้านไม่ใช่แค่นั้นคาว่าระวังตัวนี่อะไรบ้างล่ะเอาล่อล หนึ่งอ่านคุรานสม่ำเสมอสองนมาฎยาขาดสีสบริจาคสม่ำเสมออะไรครับสีหนึ่งอ่านคุรานเรียนศึกษาอัลกุรอานอย่างพวกเราเนี่ยแล้วก็สองนมาฎยาขาดนะนี่ตักวาแล้วนะแล้วก็บริจาคสม่ำเสมอแล้วก็ขอดูอาสม่ำเสมอแล้วก็ยึกรุลนล่อสม่ำเสมอทําความดีกับพ่อแม่สม่ำเสมอปกป้องตัวเองเอาไว้ก่อน إ หาอ ي م ا ใส่ตัวเยอะๆดูแลดุลิล ห, หาตว่าหายักินหาเอสานหาอิลาสนสุนนะนบีอสุนนะนบีมาชายในชีวิตประจาวันให้หมดนี่เาเรียกว่าตว่าและบนโลกดุนยาใบนีอาซาบมีไหมมีครับมาใบานาไอดีกลุมที่อยู่ข้างหน้าส่เจ้าฉะนั้นเวลาอาซาบมาบนโลกดุนยาบนีเนี่ยถ้าเราตายก็เรียกว่าตายอะไรตายชยดี ถ้าเราไม่ตายก็เหน็ดเหนื่อยต่อไปทํางานศาสนาต่อไปเชิญชวนคนดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ดูแลญาติพี่น้องเราอย่าดูแลด้านเงินอย่างเดียวนะต้องดูแลด้านศาสนาด้วยให้เขาได้นามาตให้เขาได้ทักทายคนเป็นยิ้มถูกต้องโดยสลามแต่งตัวให้ถูกต้องต้องสอนหมดเลยนะเพราะชีวิตบนตุนยาเราเนี่ยทั้งชีวิตเราเนี่ย ก็ดูตัวอย่างนาบีเป็นแบบดูอย่างสุฮาบานนบีเป็นแบบนี่พราอ่านไปพวก น, นั่งอันหะดิสมะคือเนี่ยเขาขอมาอ้าวกันแบบไหนรู้่ะท่านอบูยัตเนี่ยเป็นสุฮ า, าบานนบีแล้วก็ไซดีนอาบีลานเนี่ยเป็นคนผิวดำใช่ไหมและเป็นคนจนด้วยใช่ไหมแล้วมีหน้าที่อาจารใช่ไหมไซดนาบีลานเนี่ยถูกจำเนื้ จากซอฮาบะนบีชื่ออับูดานตำหนิไซยานาอบิลานบอว่าเองน่ะแม่เป็นคนดำพูดแค่นี้เองอ่ะแม่แม่เธอเออเองน่ะเป็นลูกแม่คนดำสนบีได้ยินน่ะนบีบอกอัลลอฮฺอับดุลอาบูดานคุณเอานิสัยของยาฮิลียาอมามะรยาดยาฮิลียะหน่ะที่เขาเหยียบทิ้งไปแล้วเนี่ย อาแงมาชา้าเองเลยเห็นยังครับคำนี้ว่าไงนะเองนะ่ะเป็นลูกแม่ผิวดำน บ, บีได้ยินน บ, บีหันไปมองอบูซาดเอ๋ยอ๋อคุณอาบูซาดเธอเอานิสัยเอาอัครลากเอามาเรยาียดที่เราเหยียบทิ้งไปแล้วเนี่ยนะ่ะแงะขึ้นมาเอามาชา้าอย่าหรือไปดา่าเขาทําไมเพราะว่าอย่างนั้นกับสานึกตัวอบูซาดเสีย ใ, ใจอ่ะ ก็เข้าไปในมสัสยิดพอไซนาบิลนันเข้ามานะมาสุนัต จ, จบแล้วก็ท่านเดินออกไปก่อนนะไปเป็นนปนั่งไปนอ น, น, น, น, นอยู่ขวางประตูมัสยิดพอไซนาบิลานมาบอกว่าเอาเยียบฉันเป็นการมาอาฟให้เยียบเลยเยียบไซนาบิลนันก็อักรากดีนีนะก็ก้มไปบอกขึ้นมาเด้อแล้วก็กอดกันแล้วมาอัฟกัน นี่นะซา บ, บานนาบีในยุ ก, ก่อนเนี่ยเขาทำเป็นแบบให้เราเห็นวันนี้นะฉะนั้นอย่าไปตำหนิกันพี่น้องขนาดว่าไงนะเองมาจากแม่ผิวดำนบียังไม่พอใจเอานิสัยเร็วๆที่เราเหยียบทิ้งไปแล้วเนี่ยเอามาใชา้อีกเลยโหเห็นอย่างครับเนี่ยอิตกูลุลลอจงระวังตัวให้ดีครับอัลฮัมดุลิลละ อิตาคุมาไบานาไอดีกุมจงปกป้องต่อการลงโทษที่อยู่ข้างหน้าสู่เจ้าคือในโลกดุนยาใบนี้ก่อนตายต่อมาครับว่ามาคอลฟาุมและที่อยู่ข้างหลังสูเจ้าอธิบายยังไงข้างหลังสูเจ้าคือโลกอาคิรข้างหลังสูเจ้ามาถึงโลกอาคิโรเห็ย่งครับ ที่อยู่ข้างหน้าท่านโลกดุนยาที่อยู่ข้างหลังท่านที่จะมาในอนาคตเนี่ยตอนไหนก็พอบาพอแบกไปฝังที่กูโบอาคิร้องมาเลยนี่ะพอพวิญญาณออกจากร่างภัพนี่นะอาคิร้องมาแล้วแต่ยังไม่เห็นพอตายพอฝังปั๊บอาย่าอ๋อโมระมาก็อธิบายดีนะพระมหามรดาอธิบายเรื่องอย่างนี้ดีนะเขาบอกว่าอะไร ตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยเราเห็นบ้านเห็นที่ดินใช่ไหมเห็นชโนดเห็นรถเห็นนู้นเห็นนี่เห็นหน้าภรรยาเห็นหน้าลูกเห็นหน้าพ่อแม่เราแต่ของที่อัลลอฮฺเตือนบอกว่าหลังจากตายคุณจะเห็นหลายอย่างนะอะไรไม่เข้าใจพอตายปั๊บนะเห็นมลายกาอ้าวมลายกามีนี่อัลลอฮฺอัลกุรแค่มาเอาวิญญาณของเราเนี่ย ถ้าเป็นวิญญาณชั่วเนี่ยแต่งตัวสกปรกเหม็นกลัวเลยอ่ะถ้าเป็นคนดีเนี่ยเราก็ส่งมาริกาแบบอะไรแบบรูปร่างสวยผ้า โ, โหใส่น้ำหอมเดินมากินหอมอา้าวเห็นไนะ้ตอนจะตายเห็นแล้วอ่ะฉะนั้นถ้าเราปกป้องตัวเองอิ ต, ตะกูนี่นะจงปกป้องตัวเองให้ดีนะ ตอนจะตายก็อัลลอฮ์มาปลอบใจให้มาเลกัมาปลอบใจสามรายการนั้นหนึ่งลาตะคอฟูไม่ต้องกลัววลาตาฮานูไม่ต้องสงสัยว่าอับชิรูบิญจันนะคุณได้ไปสวรรค์แน่ๆถ้ามาปลอบใจแบบนี้สบายใจไหมอัลฮัมดุลิลละถึงได้เตือนว่าอิละตีลาลาฮุมและเมื่อได้มี เสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าอิทธาหุม่มแก่พวกเขาว่าอิตธาคูจงปกป้องต่อการลงโทษมาใบานาไอดีกุม่มที่อยู่ข้างหน้าสูเจ้าว่ามาคอฝากกุมและที่อยู่ข้างหลังสูเจ้าทั้งโลกดุนยาและโลกอาคีรอ ละอัละกุมตุระฮามูนเพื่อส่เจ้าจะได้รับความเมตตาไอ้มาสไปนองกันและอายัอายัดที่สี่สบสี่นะมันมีวักอยู่คํานึงเช่าหอิลลัลรอฮ์มะตัมมินนาเว้นแต่ด้วยความเมตตาของเราอันนี้ก็ตุรฮามูนเมตตาเนี่ยอัลลอ์ให้อยู่แล้วนะถ้าใครที่อยู่กับอัลลอ์อยู่กับสุนานะานบี แล้วก็เรียนศึกษาอัลกุรอานปฏิบัติความดีเหมือนข้ามทัณฑ์เบียดปฏิบัตินีนะเขาจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาบูฮฺต่างๆคือส่วนใหญ่ในด้านด้านหัวใจใจคุณจะสงบโรคโควิดมาคนที่เป็นมุสลิม น, นะครับไม่ได้กลัวเท่าไหร่หรอกใช่ไหมแต่คนที่ไม่มีอีิมานต่ออัลลอฮฺนี่พลาดเลยนะโอ้สงสารนะขาตัวตายกันใช่ไหมรอสารพัดตามมาเต็มเลยนะใช่ไหม ลำบากนิดนึงก็ไม่ได้มีปัญหาเล็กน้อยก็ไม่ได้ไม่ยอมเราต้องได้ได้ต้องได้ตัวไ ด, ไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ก็ดูน บ, บี ม, มุฮัมมัดนี่นอยกับอะไรเสือ้อมีคนเอาผ้านิ่มๆมาให้ก็นอนอยู่คืนเดียวบอกภรรยาร่รรยาเอามาให้ฉันนอนอีกนะเพราะนอนสบายไม่ใจเลาขึ้นนะมัดถอดหยุดนั่นบุคคลตัวอย่างใช่ ไ, ไหม และก็วันนี้นักวิชาศาสตร์ไปพิสูจน์ว่านอนที่แข็งแข็กับนอนที่นิ่มอันไหนดีกว่ากันสุดแล้วนอนที่แข็งดีกว่าหลังไม่เจ็บไหลไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บโอ้ใช่เลยเราห้มด็ดเลยพี่น้องของที่นบีทําพิสูจน์เถอะเจอแต่เรื่องดีดีดีดีดีหมดเลยครับนะครับเราห้ามเด็ดเลยเลยอาจารนี่เขาว่าตักวาเนี่ยในคัมภีร์คุณอ่านได้ย่ออื่นอธิบายบอกว่า คอยรุษฎอตาตตะวะการสเบียงที่ดีที่สุดสเบียงนะรุาฎบวชสบียงนะนสเ บ, นะบียงที่ดีที่สุดที่พาติดตัวเราไปช่วยเราไม่ให้ตกนรกนะอัตตะวาและคนที่ประคองตัวของเขาแบบนี้นะในคูอ่านอธิบายว่าอูลุลอัลบาคนนั้นเป็นคนฉลาดอัลลอฮฺให้ยังครับนี่อัลลอฮฺชมนะ ชมว่าคนที่ประครองตัวเองหาความรู้เรื่องตักวานะครับสแสวงหาตักวาใส่ตัวเองเยอะๆนะพน่ปน้องดังนามาจียาคารอ่านกูอ่านซิกุรุล้อนีอ่ตักวาหมดเลยนะอยากตีนอียาซานอีคลาสเนี่ยอัลลอฮฺชอบนักเพียงกูอ่านนัยะอื่นบอกว่าอูลุลอัลบคนเหล่านั้นเป็นคนที่ฉลาดลใครชอบไหมถ้าเราขบวบเป็นคนโงน่ไม่ชอบใช่ไหมล่ะ ฉลาดนับเป็นคนฉลาดดีกว่าและอย่างนี้นะคนฉลาดมีอยู่สี่อายะห์ด้วยกันอธิบายแค่สองพอนะอายะห์ที่สองคนที่คิดชันฟ้าใครสร้างมาเองเลยอัลลอฮ์สร้างจะบอกอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์ลฮัมดุลิลลาห์แผ่นดินใครสร้างอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์กล่าวบอกว่าอูลุลอัลบาบอายะห์ไหนครับ อินนาฟีขลกึ่งส ما วะทีว่าล้อดีวัคติลาฟีลัยลีวันน์ฮาร์ลาเอีติลิอุลิลอัลบาเห็นไหมอัลบาแปลว่าลานันคนที่คิดเรื่องการสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในท่ว่านี้อัลลอ์ให้มาทั้งหมดนะคนนี้เป็นคนที่ฉลาดอัลฮัมดุลิลลอ์อัลล์แล้วก็คนที่ อ ي มา ن หข้อเนี่ยศึกษาเรื่องอีมานหข้อเนี่ยคนฉลาดนะแล้วคนที่ปฏิบัติอิสลามอีกหข้อเป็นคนอะไรเป็นคนฉลาดอัลลอฮติระทานยิ่งใหญ่เอาต่อมาอายะห์ที่อธิบายนิดหนึ่ง <c oughs> เราเคยได้ยินฟาโร์ใช่ไหมฟิร์นอุนนะใช่ไหมล่ะในกุอ่านมีอายะห์อาาื่นมาจากาอายนี้นกนกฮุดฮุดนะรู้จักป่าเคยได้ยินใช่ไห บางเราแปลว่านกหัวขวานฮุดฮุดในสุรออันนําสุรบมดเนะ่ยนกหัวขวานเนี่ยหรือฮุดฮุดเนี่ยมัดบอกกับนบีสุลัยมานบอกไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นราชนีแห่งเมืองซาบะนะเขากราบอะไรกันน่ะกราบดวงใดกราบดวงอาทิตย์อ่านิสุลัยมานไปสอนนกมารายงานใช่ัหม แล้วก็ไม่อ่านไปเจอฟิรูฮคนคุสมัยกันนะนะแต่อัลกุรอานอธิบายมารวมกันหมดเลยฟาโร่เนี่ยพูดว่ยังไงรึเปล่ า, รรลามาอาลิมตุละกุมมินอีลาหินรอยรีมาอาลิมตุละกุมมินอีลาหินรอยดีนี่ฟาโร่พูดเลยนะอัลลอฮ์เอาคําพูดของฟาโร่บรรจุในกนพรพิกรอานสุรุอัลกอซอสอายาที่38บอกว่าฉันไม่รู้พระเจ้าองค์ใดสําหรับพวกท่าน นอกจากให้บูชาฉันนีฟาโรพูดอุลมะนำเอาสองเรื่องนี้มาอธิบายว่าใครพูดดีและใครพูดเลวนกพูดว่าไงนะมุมัดไอ้น่าอะไรนะสุไลมานใช่ไหเอา้าฉันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกราบรูปกราบอะไรนะกราบดวงอาทิตย์อยู่ท่านไปสอนซะแล้วก็ฟาโรห์พูดย่าไงนะฉันไม่เห็นใคร ที่พวกท่านจะต้องเคารพนอกจากฉันใครพูดดีใครใครพูดเร็วฟาโร่พูดเลว็วพูดไม่ดีแล้วนกฮุตฮุตนะพูดดีกว่าใครฉลาดกว่าอาต้องการจะอธิบายว่าอูลุลอัลบาบนะฉลาดกว่าใครฉลาดกว่าอัจฉริยะของของอัลลอฮ์ของอิสลามนะนกฮุตฮุตฉลาดกว่าฟาโร่เห็นยังครับเพูดอย่างนี้มันกระเทือนเยอะนะ ก็พักแค่นี้ก่อนเอาต่อไปอายะที่สี่สิหกว่ามาติมมินอายะทิมมินอายะทิรับบิมอิลลาการูอันฮามูอริฟินว่มาติมมินอายะทิมมินอายะทิรอบบิม อิลลากานู عنها معرضين الله أكبر ฮ a มดุลิลลา l ์ข้ <ين> il อานี้ต้องการจะเตือนนะนะเตือนนบีเตือนพวกเราด้วยเล่าให้ฟังก็ บ, บอกว่าว่ามาตักทีหิมมาเบวาไม่มีตักทีหิมมาอย่างพวกเขา มินอาญาตินอาญาแปลว่าองค์การหรือคําสั่งของ Allah มินอาญาติรบบีฮิมจากคําสั่งหรือจากองค์การทั้งหลายของพระผู้อาภิบาลของเขาองคการจะอธิบายบอกว่าไม่มีองค์การใดหรือไม่มีสัญญาณใดในองค์การทั้งหลายของพระผู้อาภิบาลของพวกเขาซึ่งมายังพวกเขา กรนะจายนซึ่งมายังพวกเขาแล้วใครนํามาแนละ้วสัญญาอต่างเหล่านี้ยนะนบีพอนบีนําคําสอนใดมาให้กับพวกเขานี่ยตอนการจะเล่าว่าอาหรับในนครมักกานะมันต่อต้านนะไม่ว่านาบีจะนําอะไรมาสอนก็าตามเจอะทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยหัวมันจ้องตลอดเวลาว่านาบีจะนําอะไรมามาสอนใหม่ๆมีอะไรบ้างไหม ทุกครั้งที่ดาบีนํนำมาด่าหมดเลยปฏิเสธหมดเลยหันหลังให้หมดเล ย, ยเยอะเยอิ้วด้วยอขอยกตัวอย่างง่ายๆลูกนบีเสียชีวิตใช่ไหมคนที่ลูกตายเนี่ยเป็นไงเสียใจแต่คนอาหรับมุสริกินนั่งคุยที่ร้านน้ำชาตำหนิมุฮัมมัดแย่แล้วมุฮัมมัดลูกตายไม่มีคนมาสืออะไร สืตะกูลแล้วก็ตำหนินบีแล้วข้าหูนบีเสียใจปะนบีก็นคนอย่างเราไม่ก็กเป็นญาติกันด้วยดาทีร้านกาแฟนั่งคุยตำห น, น, น, นินบีนี่ไงรองรักวัดวันที่อัลลอฮประทา น, นอะไรนะฮิญาบผ้าคลุมผมอัลลอฮประทานกุรอานลงมานาบีอยู่ในมัสยิด เรื่องให้มุสลิมเนี่ยให้ภรรยาเราเนี่ยคุมคุมหน้าคุมตาเนี่ยนะนบีกําลังอยู่ในมัสยิดวาฮีมาปับน บ, บีอ่านจากซอบาฟังสอบ า, าจะเป็นผู้ชกักกลับไปบอกภรรยาตอนเช้าขึ้นมาปั๊บกลุ่มมุสลิมเนี่ยเหมือนอีกามุรดําเนี่ยเลยที่ตลาดเนี่ยคุมผงไปหมดเลยอ่ะมาตอนเย็นเย็นตื่นเช้าขึ้นมาหิยาบเต็มตลาดเลยนั่นกลุ่มอะไรนะ กุมอีมานต่ออัลลอ์อีมานต่อนบีและตรงกันข้ามอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยแอนตี้ดาตามิวเรยเยะเห็นอย่างรครับนี่อธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมนิกประสาทอะไรประเทศบรูไนเราก็ติดตามข่าวอยู่นะต้องการที่จะลงโทษคนทำดีนางโดยขว้างอัลลอ์ค้านกาันทั้งโลกเลยใช่ไหมเนี่ยเอ็งเอาอะไรมาใช้เนี่ย ท่านก็นตอว่านี่เพียงแต่ออกยังไม่ได้ทำนะเพียงแต่ออกคำสั่งอย่างเดียวนะค้านกันทั้งโลกแล้วนะยัางมาันลงมือปฏิบัตินะเพียงแต่สั่งอย่างเดียวว่าจะมีโทษจะมีโทษค้านกันหมดแล้วสเก็ตวันนี้ก็สมัยในบีพอกันไหมอ่ะเอาแตะแค่นี้พอเดี๋ยวเป็นการเมืองใหญ่ไปอีก w a m a t i h i m m i n ayatimin ayatirabbihim. Illa k a n u a n h a mu'adidin. Mu'adidin ini a p a lagi nak? h a n h a r Ah, mu'adidin berapa? t e r t a r a k Ah, ardo berapa? h a n h a r Patiset. Ah, hantar. Langsung. Ah, kita b o l e หันหลังให้หันห่างปฏิเสธแย่ได้หมดเลยและไม่มีองค์การใดหรือไม่มีสัญญาณใดในองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของพวกเขาซึ่งมายังพวกเขาอิลลากานุอันมัวรีดีนเว้นแต่พวกเขาหันห่างจากองค์การเหล่านั้นเห็นอย่างครับทุกเรื่องที่น บ, บี Muhammad นำมาสอนนี่นะอาหรับชาวมักกะต่อต้านทุกเรื่องเลย ทุกเรื่องอยังต่อได้แล้ววันนี้ก็เหมือนกันนี่อย่างนั้นเราเป็นห่วงมุสลิมนี่ย น, นะอย่าไปแอนตี้หลักการอิสลามนี่เรื่องแบ่งมรดกนี่ยไม่จบที่โต๊ะอิหมามนะไม่จบไม่จบที่ไหนอะ่ะขึ้นศาลเข้ามาเนี่ยเข้าหลักการไี้ไหมเข้าระวังเป็นห่วงอะ่ะเชื่อเธออัลลอฮ์สั่งก็้เชื่อเธอรีสกีมาจากอัลลอ เมืกีมาจากทะเลอย่าทะเลาะกันทำไมอ่ะพี่น้องนี่อ่ะเขล่าให้ฟังนะนะเตือนเตือนกันนะเราไม่มไม่มีหน้าที่บังคับใครแต่เล่าให้ฟังนะครับทีนี้คำว่ามัวอรีดีเนี่ยยังมีอีกอายาหนึ่งยัลอาบูนยลยัลบอว่าหัวเราะเล่นทำเป็นเล่นเล่นกับหลักการของ Allah ยัสตาซีอูมีอีกคำานึ่งอีกแปลว่าหัวเราะเยาะหลักการของ a l l ه และกอ เราไปถึงไว้หนวดไว้คาวด้วยอ๋อว่าคนคานี่ใหม่ๆนี่ถูกตำหนิกันจังเลยใช่ไหมใช่ยิ่ยาบถูกตำหนิมันจะนี่มันก็เบาขึ้นใช่ไหมล่ะพอโรคโควิดมามันก็เบาลงเบาลงเบา ล, บา ล, บาลพอโรคโควิดมานี่ปิดหน้าปิดตากันหมดอย่าปิดสิ <c oughs> นี่ปิดเพราะกลัวใช่ไหมน่ะแต่เรานี่กลัวการลงโทษจากอัลลอ์ตั้งแต่โลกดุนยาเลยอัลฮัมเลยลี อ, อ, อุลมะเขาอธิบายดีนะคนที่ต่อต้างอิสลามเนี่ยนะตอนตายเนะ่เจอสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งพอตายพับนี่นะตอนแบกพอยักใส่ลงพับพอแบกพับอีลาไอนายซาบูนับบิฮาจะพาฉันไปไหนตะโกนนะในเรื่องที่หนึ่ง พอฝังเสร็จแล้วนี่นะครับพูดว่านี้อาเดอยนีโปรดส่งฉันกลับมาบนโลกดุนยาใหม่ลาลีอามาลุซอลิฮาเพื่อฉันจะได้ปฏิบัติอามันที่ซอแล้วเองพูดทำไมละ่ะอย่าพูดสิเนี่ยรอเล่าให้ฟังนะตะโกนทุกคนเรื่องที่สามรูบมายาวัดดุลอาดีนกฟารูลาวกานูมุสลิมีนบ่อยครั้งเหลือเกิน ขณะที่คนกาเ ฟ, ฟ่นอนอยู่ในสุสานของเขานั้นพูดว่าอย่างนี้ถ้าเป็นมุสลิมก็จะดีอัลละจะขอแก้ตัวอัลลอฮก็ตอบอว่าสถานที่แก้ตัวไม่ใช่ในกูโบอยู่ที่ไหนบนโลกดุนยาใบนี้กลับตัวซะฟื้นได้ไหมล่ะไม่ฟื้นเพราะเองไม่อ่านคุณอ่านานะด่านาบีใช่ไหมล่ะอังก็เจอไปไ ม, มีปัญหาแล้วเรื่องที่สี่ ลา ต, ติมิสาอย่าให้มีวันเกียมากเกิดขึ้นเลยยาอัลลอ์เพราะเห็นแล้วขนาดอยู่ในกูโบนะถูกอย่างเงี้ยแท้ในวันอาครองไม่น่า ก, กว่านี้หรืออป็นยังครับผู้สีเรื่องต่างต่างวรรกันใช่ไหมทจ่ท่านเป็นมุมุมินดีกว่านะ إ ي มา ن ต่ออัลลอ์ดีกว่าเอาสุนานะนบีมาใช้ในชีวิตประจงวันเถอะไปเนาะฮัมดูลิ ล, ล, ล อามาดูมุมินมุมินพูดพูดสามครั้งพระเจรีนะพูดสามนะคนกาเฟ่นะพูดสี่นะตอนตายมุมินมาไงดูไหมตอนใส่โลงเนี่ยกอดดีมูนีรีบพาฉันไปไวๆแล้วก็พอเป็นนอนอย่างไรกูโบอาสาบไม่มีจังมากอากิมิซาอร่อยอยากเจอวันกิยามะไวๆจะได้เข้าสวรรค์นนะแล้วก็อีกคำหนึ่งอะไรนะ ม, มีสองคำมีสองคมันจะมันจะสี่ทีมันจะสามโยสองมุมินพูดว่าไงนะอาติมิซาให้มีวันกิยามะไวไวสองก็อดดิโูนีรีพาจนไปไวไวแต่คนกาฟเฟ่พูดกี่ครั้งสี่ครั้งเหนื่อยมลนะ่ะเหนื่อยนะมเมนแค่สองพูดยังดีหมดเลยรีพาจนไปอัลลอ์มีกิยามะไวไวเธอจะได้กลับไปหาปอัาลลอฮ์ประโยชน์ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ س ب ะล อัตาะมาอายาที่ี่สิบเจ็ดว่าจะละหุมอาฟิกุมิมราซากุมุลลอห์กาลัล ذين كفروا للذين آمنوا أن طعام ملوا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظالِم مبين ا ل ل ه ُ أ َ ل ب ََ و ِ ذ ا قيلَ لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن طعم ملأ يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ظلام ال مبين الله أكبر อันนี้เตือนนีเลครับเตือนนบีนะเล่าให้นบีฟังน่อนะว่าคนกาเฟเนี่ยเวลา เวลาพูดเรื่องการขอบริจาคเนี่ยมันตําหนิอลัลลอฮ์ว่าอย่างไงเวลาอัลลอฮ์สั่งให้นบีมาบวกกับสัฮาบะบอกคนมักกะเนี่ยบอกว่าบริจาคเธอะคนที่ต่อต้านคนกาเฟตเนี่ยมันต่อต้านคําสั่งของนบีแล้วมันด่าฉันด้วยนะดา่าอัลลอฮ์ด้วย อามา ด, ดู Quran วายซาตีลาลาหุมแล้วเมื่อได้มีกล่าวแก่พวกเขาว่าตีลาเนี่ยวายซาตีลาลาหุมแล้วเมื่อได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าอัมฟีกูตรงนี้เป็นแฟนอามัดจงบริจาคมาจากอินฟากการบริจาคมุสลิมเนี่ยถูกถูกสัง่งให้บริจาคเยอะนะ กูตบานที่ผ่านมาก็บริจาคใช่ไหมเนี่ยมีตู้อยู่หน้านามัสยิดเนี่ยก็บริจาคอาลัลลอฮ์เอาเงินให้ภรรยาชายก็บริจาคให้ลูกก็บริจาคอาลัลลอฮ์บัดให้พ่อแม่ก็บริจาคให้มัสยิดก็บริจาคให้มัสให้โรงเรียนเด็กกำพร้าบริจาคตลอดเวลาใช่ไหมและบริจาคเนี่ยทำให้จนลงหรือว่าดีขึ้นดีขึ้น่ คนยิ่งบริจาคอลลอยยิ่งเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มไม่มีแย่ครับแต่คนกาเฟไม่เข้าใจเรื่องนี้อิแลวขอบริจาคอกแล้วดูสิโอโลอักบัตอามาดูคำแปลว่าอิซาตีลาลาหุมและเมื่อได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าอัลฟิกูจงอะไรนะจงบริจาคหรือจงใช้ใจมิมมาจากสิ่งที่ รอจากกุมุลโลที่อัลลอ์ได้ส่งประทานให้กับสุจ้าอัลลอฮ์ริสกีที่เราได้เนี่ยใครให้เนี่ยมุบินทุกคนอยู่ในสมองหมดเลยอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ์ให้ฉันนใครให้ลูกอัลลอฮ์ใครให้บ้านอัลลอฮ์ใครให้รถอัลลอฮ์ใครให้ภรรยาอัลลอฮ์ใครให้สมองดีอัลลอ์ ต้องนึกตลอดเวลาเลยมามาสิตได้นี่ยไม่ใช่พอเรานะใครอล๋อมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยอลอง่า้อะ่ะ ไ, ไอการระวังเป็นหน้าที่ของเราเป็นยังรครับวอีลาคีลาละหุมอัฟฟิกูมิมมารอะจักกุมุลโลแล้วเมื่อได้มีกล่าวหรือมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่ามิไปคำเตือนสอนนั่นแหละนะ จงใช้จ่ายอัมฟิกูจงใช้จ่ายจงบริจาคมิมมารอเ้ากอภูมุลลอที่เอาล่อใดสรงประทานเครื่องยังชีพแก่สูเจ้าเตือนให้มะเนี่ยริสกีคุณหามานะลาต้ริสกีในะใครประทานให้เอาล่อให้มีเด็กหนุ่มอยู่คนโทรศัพท์ามาหาผมผมสอนมันก็หลายปีกันแล้วบอกว่า ยานอนหลังนามาซุบยกเว้นคนป่วยพอาฟังปั๊บเขาก้ท่าไม่เคยด้ยินก็ไม่นอนพอไม่นอนก็มาอ่านคูอ่านจิกรุลล ไ, ได้สักสามเดือนเงินเดือนขึ้นโท ษ, ษทัารผมอาจารย์ใช่เลยรอที่ท่านนาบีสั่งว่าอย่านอนหลังจากอะไรนะนามาสุโบจบนะให้ตะวันขึ้นก่อนค่อยนอนนะ ผมนำมาไปใช้ริสกีผมเพิ่มมาอาลัลลอฮ์ผมเชื่อแล้วว่อาอัลลอฮ์มีจริงเชื่อละสุนานะนบีเนี่ยเป็นคําสั่งที่มาจากอาลัลลอฮ์จริงท่า น, นอย่านอนคนป่ว ย, อยนอนได้อย่างผมเนี่ยนอนได้นะอายุเจดสิแล้วนะแต่ผมก็ไม่เคยนอนนะผมไม่เค่นอนนอนหลังหลังจากตะวันขึ้นไปแล้ว น, ะนึกตลอดเวลาเราไม่นอนเราไม่นอนเราไม่นอนไม่นอนเอาต่อมาครับ กอละลาดีนากฟรูกาฟรูแปลว่าผู้บรรดาผู้ปฏิเสธก็ละกล่าวลิลลดีนามะนูแก่บรรดาผู้ศรัทธาคนที่ปฏิเสธในนครมักการนี่นะกล่าวกับผู้ศรัทธาว่ายังไง มายถึงดานัและอ่าด่าพูดสรัทธาว่ายังไงอนุตตยมโจะให้เราให้อาหารมัลเลวยะชาอัลลอฮฺแก่ผู้ที่อัลลอฮฺทรงประสงค์การนั้นหรือเห็นไหมตกลงว่านี่คนกาเฟสี่ต่อต้านนะ อัลลอฮ์สั่งอะไรสั่งให้บริจาคคนยากคนจนคนยากคนจนคนเด็กกำพร้าดูแลคนยากคนจนคนกาเฟตกล่าวตอบกับนบีกล่าวตอบกับบรรดาผู้อีมานพวกบรรดาสุฮ า, าบานนบีกล่าวว่าไงนะอนุตตอิมูจะให้เราให้อาหารจะให้เราให้อาหารให้กับคนยากจนที่อัลลอฮ์ต้องการกันนั้นหรืออนุตอัป เอบอา ม, มาฮูเอาร้ อ, อให้เองสิเออไม่เกี่ยวอะไรกับเราล่ะเห็นไหมนี่คนที่ต่อต้านอิสลามพูดแบบนี้วันนี้ยะฮูดีก็เหมือนกันนะอย่างนี่มูในิธิในในในในโลกอาหรับเขาดูแลเด็กนักเรียนเนี่ยสระทรมงประถามีเหมือนเดือนเขาให้มาเยอะนะ่มาไม่ได้เขาบอกทำไมไม่ให้อ่ะ ธนาคารส่งไม่ได้เขาห้ามไม่ให้ส่งเงินออกนอกประเทศที่เขากลัวนะกลัวมให้มุสลิมเนี่ยอยู่ดีมันกวางกดหมดเลยอ่ะออาแต่แค่นี้พอนะอ ม, มันเรื่องมันยาวเอาแค่นี้พอนี่ก็เหมือนกันอายะ น, นี้เตือนใช่ไหมเตือนคนที่อ่านคุณอ่านวันนี้คนที่ต่อต้า น, นให้บริจาคในโลกนี้ไหมมีครับเป็นอยบริจาค กระทบริจาคต้องเียว่าบิดเซีนึงอ่ะบริจาครับลับที่อัลลอฮ์พูดอักเบีรุลอานิใช่ไหมบริจาคได้แต่ลับลับนะเพราะโจงแจ้งขึ้นมาเองเจอปัญหานาไม่ให้เงินออกนองประเทศไม่ให้ขับไม่ให้ผ่านบัญชีเช็คบัญชีเองเลยเห็นม้ยวาาซกีลไห ม, ละละหมอมฟิโกกกมมมารุลลและเมื่อได้มีกล่าวแก่พวกเขาว่า อัมฟิกูจงบริจาคดุจงใช้จ่ายมิ ม, มาราสกอกุมุลโลที่อัลลอได้ทรงประทานเป็นเครื่องยังชีพแก่สู้เจ้านะกอลลลดีนะกาฟารลูลลลดีนะอามานูบรรดาผู้ปฏิเสธได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าอนุตอไอมูจะให้เราให้อาหารแก่ผู้ใดที่อัลลอทรงประสงค์กันนั้นหรือ อาตอมาหูพระองค์ให้อาหารเองสิอลอลเลาะให้สิมาเลี้ยงทำไมก็อเอลเลาะให้อยู่แล้วไงให้เองด้วยแต่มันลืมนึกตรงนี้มันนึกว่าคนกาเฟ่บันนึกว่าที่มันมีริสกีเยอะๆแล้วเนี่ยตัวเองหาเองเข้าใจไหมแต่มุมินคิดคนละอย่างมุมินนี่ นบีสอนให้คิดว่าริสกีที่อยู่ในกระเป๋าเราในธนาคารเรานี่อัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ฝากมาอะไรอย่างความคิดต่างกันไหมต่างกันเยอะมากเลยที่เราต้องนอบน้อมทมตนต่ออลอดที่เราเป็นมุมินเราไม่ได้ห่วงอะไรเลยทรัพย์สินนั้นเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาฝากเรามาก็สังเกตุกคนในหมู่บ้านเราเนี่คนรวยๆมีกี่คนล่ะสี่คนห้าคนเท่านั้นเอง ถ้าคนรวยเหล่านี้เป็นคนใจดีเนี่ยสังคมจเจริญไหมล่ะรอวักวา่าไม่ต้องจัดงานสุราหรอกไม่ต้องชันบริจาคเองตรงนี้น่ะแสนแสนสามเนี่ยชันเองครับบริจาคเนี่ยตรงเนี้ยทําที่อาบน้ําน้ำหม า, ขาดของผู้หญิงเนี่ยแสนแสนกว่าบาทผมเองครับถ้าเราเข้าใจอิสลามกระจายอิหมานไปนอนเองบริจาคนี่เรืองธรรมดาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยนะครับี่นอนเอาต่อมาครับ อินอันทุมอิลลาฟีดลาลิมูบนพวกท่านไม่ใช่อื่นใดอินแปลว่าไม่ใช่นะอินอันตุมพวกท่านไม่ใช่อื่นใดอิลลานอกจากฟีบลาลิมูบีนอยู่ในการหลงผิดแท้ๆดอลลาร์คนที่ไม่บริจาคมาอยู่ในทางหลงผิด แล้วก็ต่อต้านอีกหลงผิดต่อต้านคนโหดอลาลาร์อันนี้อัลอฮเล่านะคนที่ต่อต้านนาบีหลงผิดต่อต้านอัลกรุรอานหลงผิดอัลลอฮ์สั่งอย่างงี้ผ่านนาบีเองไม่ทํากับดาอัลลอฮ์กลับมาอีกอัลลอฮ์เรียกเองสิอัลลอฮ์อัลกรุรอานี่หลงผิดหมดเลยถ้าใช้ปัญญานิดหนึ่งก็จะไม่พูดภาษาแบบนี้อัลลอกรุรอานสอนดี ในสุร้ออื่นสุร้ออาลอิมรอนอธิบายบอกว่าพวกยิวพูดว่าอย่างนี้แล้วก็จะซาเมอัลลอฮฺก่าวล่าที่นักข่าวอินนัลลอฮะฟะกีรุนวะ نحن أ غ น ي ة อัลลอฮ์คนยิวมันพูดแสบอธิบายบอกว่าโดยแน่นอนยิง่งอัลลอฮ์ทรงได้ยินคำกล่าวของบรรดายิวในนครมาดีนะ ที่พวกเขากล่าวเย่อเยอะบรรดาผู้ยากจนที่เป็นมุสลิมว่า ta, อินนัลลอฮ์ฟะกิแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยยากจนนี่ภาษาของคนยิวอัลลอฮ์บันทึกในคัฟีรุณอ่านอัลลอฮ์เล่นงานครับเห็ น, นันท่านเราอย่าพูดว่าอัลลอฮ์น่ะจนจะพูดไม่ได้พอเราพูดคำนี้ปั๊บเนี่ยเราเรียนแบบใครเรียนแบบยวิวดีวานะฮ์นูอัลกินยา แล้วก็เราเป็นเรายาฮูดีเนะี่ยเป็นคนที่ออกเงินกู้นะ่ะเราเป็นคนรวยเอาเงินกู้อิสลามอนุญาตไหมล่ะใช่ไหมวันนี้ยาฮูดีนะ่ะออกเงินกู้ไอเเอฟในยาฮูดีเลยนะไอเอเนี่ยพูดกับการเมืองนี้ น, นะเวลแวงนะ่ะกระชองไม่ใช่ของรัฐนะของใครของเยาฮูดี เอกอชนยังครับนอกนั้นเป็นของรัฐหมดนะยกเว้นอเมริกาอพอแค่นี้พอ<ม>พ อ, พอยาวยาวยาวาวข้ออา่ <laughs> า, านเขาจว่าไงครับสนักตูบูมาโกาลูเราจะบันทึกภาษาที่เขาพูดต่อต้านอิสลามต่อต้านอัลลอฮ์ต่อต้านรอซูลต่อต้อนาตอตอนอุรัยสันักตูบูมาโกาลูอัลลอฮ์บันทึกหมดเลย ฉันอย่ า, ย า, ยาไปแอนตี้หลักการอิสลามบันทึกหมดเลยบันทึกภาษาเราด้วยก็จะแชรตอนไหนอ่ะพาอตาก็แชรแล้วตายจริงอัลลอ์ฉันไม่น่าพูดคำนี้เลยขอเป็นมุสลิมเถอะปฏิบัติตามนาบีปลอดภัยที่สุดตอนตายจะเจอครับเอาต่อมาอายาที่4ี่ว่ายกูลูนมตาฮัลวะจด อิ่งุณตุมสอดีกินวายกุลูามตาฮาดะลวะดออิ่งุณตุมสอดีกินอัลลอฮฺอักบารอายะนี้พูดเรื่องวันกิยามะอายะที่สี่สเจ็ดพูดเรื่องการบริจาคทำไมอัลลอฮเปลี่ยนเรื่องคุยไป แม่เป็นโรคอัลไซเมอร์คนอ่านกระรานในฉลาดหมดทองมตเลยอันนี้พูดถึงวันวันกียามามาแล้วแล้วคนที่ต่อต้านวันกียา ม, มาไม่มีมีเยอะไหมเยอะครับไม่เชื่อวันโลกใบนี้หมดอายุด้วยอลัลลอฮ์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เกิดเองนี่ก็ะผิดอยู่แล้วแต่โมเมนต์อัลลอฮ์ให้อลัลลอฮ์ให้อลัลลอฮ์ให้อลัลลอฮ์ให้อลัอลอลอฮ์ให้ตางกันไหมชีวิตต่างกันเยอะเลย วายูกูรูนพวกเขากล่าวอุลลมะอธิบายนะเยอะเยยมุสลิมในวงเล็บพวกเขากล่าวเป็นคนคนกาเฟสเนี่ยคําสวนของนบีที่พูดเราตายแล้วฟื้นนะตายแล้วมันจะตายเลยคนที่ฟื้นจากกูโบมีไหมมีครับวันหนึ่งทุกคนต้องฟื้นหมดตายเท่าไหร่ฟื้นเท่านั้นบางคนหัวเราะเยอะ วายาคูลุนพวกเขาคนกาแฟ่เดนากลาวเยอะเย้ยมุสลิมว่ามาตาเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรฮาดัลวาดูสัญญาว่าจะเกิดวันเกียรมาฮาดัลวาดูอัลวาดูเป็ว่าสัญญาสัญญาคือ้อธิบายไงนะสัญญาว่าจะเกิดวันเกียร์มาหน่าจะเกิดเมื่อไร นี่พูดมาทุกวันเลยระวังนาะวันเกียร์มาจะมานี่ตายไปกี่คนแล้วแหละยังไม่เห็นมาสักทีหนึ่งวันกียร์มานี่เยอะเย้ยคลายเยอะเย้ยนบีเยอะเย้ยคนที่เอาคูอาญญา่านในย่านนี้มาสอนด้วยทําไมมุสลิมพูดทุกวันเกียร์มาจังลเลยอเกินเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดมาให้เห็นไปสิ <c oughs> อาจจะนี่วันเกียร์มาในมีจริงไหมมีครับ เป็นความลับอ่าเป็นความลับมีอยู่ห้าเรื่องนะเอาร้อไม่เผยให้ใครรู้แต่มีจริงหนึ่งวันเกียร์มาจะมาเมื่อไร่สอนในส่วนลุกมาอาจารยสุดท้ายอะวันเกียร์มามาเมื่อไหรไม่มีใครรู้แล้วก็คุณจะตายในแผ่นดินไหนไม่มีใครรู้แล้วก็เด็กในครันมารดาเนี่ยจะแทงก่อนหรือจะคลอดก่อนไม่รู้แล้วก็คุณจะ จะทําอะไรในวันพรุ่งนี้และคุณจะตายในแผ่นดินไหนห้ารายการเนี่ทำไมมันมันมันมันเห็นปะท้วงอ่ะปะท้วงสิก็รอดเล่าว่ะมีอยู่ห้ารายการความลับนะไม่ใช่กิยามาดอย่างเดียวอ่ะเดียวที่อยู่ในคันมารดาจะแทงก่อนก็ได้รู้ตายก่อนก็ได้ไข้รั่วและพรุ่งนี้คุณจะทําอะไรคุณก็ไม่รู้คุณจะตายในแผ่นดินไหนทําไมไม่ปะท้วงมั่งล่ะปะท้วงเรื่องเดียววันกี่ออมาเพราะอีสีเรื่องนี่ มันก็เรื่องลับทั้งหมดนี่นนอลัลลอฮ์เล่าในีกุรอานน ะ, านะวายากูลูนามะตาฮัลว่าพวกเขากล่าวเยอะเยออมุสลิมว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นว่าวันกิยามะเนี่ยจะเกิดเมดื่อใดให้เห็นหน่อยสิอลัลลอฮ์พอตายนะเห็นหมดเลยอะ แล้วก็พูดว่าไงนะลาตะกิมิซาอย่าให้วันกิยามาเกิดขึ้นเลยพอถูกทรมานในกุโบนิกาเฟตพูดนะส่วนโมเมนพูดว่าไงอากิมิสากิยามาว่าไวๆฉันจะได้ประโยชน์ในที่ของฉันในสวรรค์ต่อมาครับอิงกุลตุมซอเดียตินถ้าพวกท่านสัตว์จริง ถ้าหาอนบีเป็นคนจริงนํามาเลยถ้ามุมินพูดจริงนําำวันเกียร์มามาให้ดูหน่อยสิคําตอบก็คือวันเกียร์มามีจริงเองจะเห็นหลังตายพอหลังตายครับเนาะขอรอ้องฮะรอส่งกลับใช่ไหมรอลลจะส่งกลับมาอยู่บนโลกดุนยาใหม่มาทําอะไรมาแก้ตัวเราไม่ให้และสถานที่แก้ตัวบนนี้บนโลกดุนยาไปนี้่หีัเป็นต้นนะครับ วันกยร์มามีจร nope. ิงครับอธิบายต่อบยที่ี่สิมาย่งรนัอีลาสัยพะตัวอวัยเดทนหุมวุมยนซิมุนเล่าให้ฟังเลยวันเกียร์ามาอย่างไรรู้ไมมาย่งรนัอีลาสัยพะตัวด ตะโครูหุมวะหุมยาคิซีมูนวันเกียม์มามีจริงครับเป็นเสียงกำ บ, บนาทเสียงเดียวทุกสิ่งทุกอย่างพีนาสหมดเลยนี่เล่าให้ฟังก่อนอยากให้มีวันนี้ไหมล่ะโอ้โหไม่อยากครับแล้วเราเล่าอีกให้นบี ม, มาสอนวันเกียรมามาวันอะไรวันสุกอวันสุกมุสลิมเป็นยังไงอ่ะ ถ้ามาตอนบายมงอยู่ที่ไหนเห็นยังนี่อรถจัดเอาไว้จัดเอาไว้จัดเอาไว้แที่คนที่จะตายต้องมีอะไรบ้างอันหนึง่งต้องมีอาบน้ำมีกฝันใช่มากแล้วมีขอตัวเราทำพร้อมหมดแล้วนะวันศุกร์เนี่ยตอนเช้าทำอะไรครับอาบน้าเราก็แต่งตัวชุดสวยที่สุดใส่ข้างหอมด้วยมันไม่ยิดเลยอะ แล้วก็มาเนมาเต็มัสยิดน่ะถ้าตอนบ่ายเป็นเวลาวันกิยามาน่ะเราปลอดภัยไหมอาบน้ำแล้วใส่เสื้อสะอาดแล้วมีเครื่องหอมแล้วกำลังขอดุอาห์ต่อรออยู่ปลอดภัยหมดเลยอ่ะเป็นมุสลิม อ, ลอัลลออยากให้ลูกไปเป็นกาเ ฟ, ฟ่สักคนหนึ่งน้ะไปเรียกประเชิญไม่หมดมาม า, มาอยู่ทางนี้อยู่ทางอิสลาม ดูสับมายาซูรุนพวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดนายัมซุรแปลว่าคอยนะพวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดนี่ที่ท่ทวดาดากัน อ, อยู่นี่นะดาอัลลอฮฺดาราซุ่เรามือไรจะเกิดวันเกียรติมันนะเองไม่ได้คอยสิ่งใดนะอิลลัลสอยฮะตอ น, นอกจากสอยฮะแปลว่าเสียงกปั้นหน้าสอยฮะเสียงดังๆอ่าสอยฮะ ไอ้ซอยฮะนี่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งหลายครั้งเลยละวันที่ประเทศอะไรนะประจัยระเบิดที่เลบานอนน่ะไม่ใช่นะสมัยนบีลูต์น่ะประเทศอะไรนะประเทศนบีลูตนะ่ะเดซีปัจจุบันน่ะนั่นมีเสียงมาเพราะมันทํากูชากับกุชารนิกายกันเองรอดทาลายซอยฮาจันเสียงกำมนาศเสียงเดียวหารายการอัลลอฮ์ลงโทษหอย่าง เสียงเดียวนะส้อยหัดจันเสียงกัปนาฏเสียงเดียวเสียงดังๆเสียงเดียวตายหมดเลยทวาตาล้วจบไหมไม่จบเจออาดามเราโกโบอีกเอาต่อมาครับวาให้ได้แปว่าครั้งเดียวเสียงดังๆังครั้งเดียวตะคูรูหุมทำลายพวกเขาฆ่าพวกเขาวาหุมยาคิสริมูลขณะที่พวกเขา กำลังโต้เถียงกันอยู่กำลังคุยกันอยู่กำลังทะเลาะกันอยู่วันกยมาดมาเลยนี่นีพูดแต่คุณคาเฟ่ฟังนะในวันกิยมาเองน่ะอาจจะอยู่มันจะลายก็ได้กําลังด่ากันอยู่เออมึงซื้อของกูทำไมไม่ให้สตางค์กันนะแต่มุมันอยู่ในสภาวะธรรมใดเรบบรรณาตีนาฟิตางกันมาชีวิตไปมาแต่ไม่ได้ห้ามค้าขาย ค้าขายได้แต่อย่าลืมเวลาน้ ม, มาต้องเข้าโซล่าต่อไปน้ ม, มาดมัสยิดไม่ใช่ค้าขายทั้งวันทั้งคืนไซนาโอไม่กับค้าขายอดุรามานบินเอาเก็ไปนั่งธุรกิจไม่เคยราคาหน้ามาจะมาเนี่ยเห็นนึกถึงตรงนี้อ๋อเลยนี่ค้าขายก็มทิ้งสุเราเลยเหรอเป็นใครซาะลาบาใจะมามีแพ้แค่แค่แพ้พันตัวนทิ้งอลัอลลอฮ์เลยล่ ะ, ละนี่ขาดทุนชีวิตขาดทุนจริงๆเลยนะ ท่านประการกาะติดกับอุษุนาฏีอวัยย์ยึอวัยึดอวัยย์ยอวัมาเยลซูรุนอิลลอยฮะตาวะฮิดะพวกเขามิได้คอยสิ่งใดเลยนอกจากเสียงกัมปนาศเสียงดังๆเพียงครั้งเดียวตะคูลูฮุมซึ่งจะฆ่าพวกเขาทำลายพวกเขา วาหุมยาคือรีมูนขณะที่ภูเขาโต้เถียงกันอยู่นี่พูดให้คนกาฟเฟ่ ฟ, ฟังถ้าพูดให้มุสลิมฟังก็ขณะพวกท่านกำลังสูญอ ย, ยู่ตายดีไหมอัลฮัมดุลิลลาตายแบบสง่างามหืออัลฮัมดุลิลลาอายสุดท้ายครับ فلا يستطيعون ت و ص ي ي ت ه ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون ت و ص ي ي ت ه ولا إلى أهلهم يرجعون الله أكبر หมดเวลาพอดี <téléphone> <beef viewer> อธิบายนิดนึงฟาจะสติยอุนไม่พวกเขาไม่สามารถยัสติยอุนบว่าไม่สามารถอิสติโตอาตนะไม่สามารถพวกเขาไม่สามารถหรือไม่ทำอะไรครับเตาเสียสังเสียหรือทำที่ในกรมรมเนียลอล่าไฟัง วันกียร์มามานี่นะเองไม่ทันทําพินัยกรรมหรอกพ่องรุ่นอยู่กับเงินเงินเงินใช่ไหมเป็นห่วงลูกจะลําบากไม่ทันทําพินัยกรรมทําไมพูดอย่างงี้เหมันตำหนิเหมือนกันแน่มุสลิมเขาห่วงลูกกลัวจะไม่มี إ ي م านใช่หรือไม่ใช่กลัวจะไม่นมาตมุสลิมกลัวขอมาต่อเราเลาจะให้ลูกฉันเป็นคนที่มี إ ي م าน แต่คนคาเฟ่น่ะห่วงเรื่องเงินอย่างเดียวน่ะลูกฉนันต้องมีเงินต้องมีเงินต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆรถคันงนงามไม่ใช่นะ่ะจะสูยุนไม่เป็นน่ะฟายัสตติอูนัตอเสียและพวกเขาไม่สามารถสั่งเสียทาพินัยกรรมวาเลอีลาอาลีฮิมและพวกเขาก็ไม่ ไม่ทันกลับบ้านยังครอบครัวของผูกเกาแสดงว่าอยู่ข้างนอก อ, อยู่นอกบ้านไปทำอะไรก็นทานนั่งอยู่ในบาร์เป็นไงนั่งอยู่ในไนท์คลับเป็นยังไงกลับบ้านไม่ทันน่ะพันเกียรมามามาสั่งเสียไม่ทันกลับบ้านไม่ทันแสดงเนี่ยร้อนเล่ า, ลาเปิดให้นบีมาสอนหลงดุนยาหลงทำไม วันเกียมรมามาไหมมาจริงครับแล้วหมดอายุจริงเราเงินทองที่คุณสะสมไว้ช่วยรายได้ไหมล่ะไม่ได้เลยถ้ามีวันนี้บริจาคไก่อนเรมากิยร์มัดมาปลอดภัยไหมเราทามุลิลาฉจะมีอยู่ลายไปห้าแสนสร้างโซเราแล้วก็กิยรมัดมาเลยรับบริจาคตอนเช้า ต, ตอนบ่ายกิยมรมัมดมาทามุ ล, ล, ลิลาไอห้าแสนนะช่วยประคองไม่ตกนรกอย่างนี้เป็นต้นท่านหัวใจเราตั้งโยมกับล l l a h อุลาะธิบายไงหรือเปล่าเครื่องหมายวันวันเกียร์มากมีเยอะมีเป็นร้อยนะแต่ไม่เล่าเล่าโอกาสหน้าต่อไป